พยายามรักษา <c oughs> อารมณ์อารมณ์คือธรรมะที่ใจเราคิดอารมณ์พุโทโธพุโทโธพุโทโธนั่นเป็นอารมณ์พยายามรักษาอารมณ์เอาไว้อะไรมารักษาเอาสติมารักษาสติก็คือกิริยาของใจ สัมปชัญญะคือกิริยาของใจในเมื่อใจของเราถูกปลุกขึ้นมาให้เป็นรูปของสติให้เป็นรูปของสัมปชัญญะใจของเราก็ตื่นคำว่ามันตื่นก็คือมันตื่นอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันไงมันตื่นสิ่งที่เป็นเสียงเออเรา บ, บริกรรมอยู่ที่ใจเนี่ย มันจะมีเสียงมีอะไรมาควรยังไงก็ก็ถือว่ามาสัมผัสแล้วก็ผ่านไปมาสัมผัสแล้วก็ผ่านไปอารมณ์เดิมเราไม่ทิ้งจับอยู่อย่างนั้นจนจิตเราเชื่องจนจิตเราเชื่องเอาอารมณ์นี่แหละมาบังคับใจเอาอารมณ์นี้มาฝึกใจเอาอารมณ์และมาฝ่ามาฝืน ความดืดดึงของใจพลังที่ใจมันดืดดึงก็คือพลังของตัณหามันเป็นในตัวของมันเองไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทําให้เราหามันเกิดมาแล้วมันได้มาด้วยไม่ว่าหัวใจของท่านไม่ว่าหัวใจของเราเราเกิดมาแล้วสิ่งนี้มันได้มาด้วยนะ สิ่งเหล่านี้มันไม่บริสุทธิ์มันชอบแสดงอะไรตามใจชอบเพราะมันอย่างอิสระเสรีจนเลยเถิดสิ่งที่รักสิ่งที่สิที่รักพยายามยืดย่ดยย่ย่ยืดจนเปลนให้เกิดความโลภสิ่งที่ไม่รักสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่พอใจสิ่งที่มาขัดในหัวใจ เกดิดความโกโรธโกโรธโกโรธโกโรธกจนเป็นสัญญามโโรมเกิดความโกโรธความโลภความโกโรธมันตามมาในหัวใจอย่างนั้นหากมาสังสมในตัวของมันเองไม่มีใครสังสมให้เราเราสังสมเราเองไม่มีใครสร้างเรามาพ่อแม่เราได้แค่รูปธรรมเท่านั้นแหละแต่นำ ม, มาทำคือใจของเรา เ, เราได้มาด้วยบุญด้วยกรรมของเราเอง เราได้มาตามบุญตามกรรมใจของเราไม่สะอาดเป็นเหตุให้ใจของเรานี่เกิดที่สูงบ้างเกิดที่ต่ําบ้างเกิดที่ยาว บ, บ้างเกิดที่ละเอียดบ้างฉลาดบ้างโง่อบ้างสุขบ้างทุกบ้างคลุกคล้ากันอยู่อย่างนี้ไม่จบเพราะฉะนั้นภพภูมิของเราไม่มีทีท่จบไม่มีจุดจบนี่คือความเปลี่ยนแปลงไปของก่อสังขาร กองสังขารกายของเราเราดูเราเห็นง่ายแต่กองสังขารใจคือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดถ้าเราไม่พยายามดูเราไม่เห็นเรามาฝึกมหาหัดเรามาจับตัว น, นี้เป็นหลักเป็นเงาเป็นต้นเป็นตอเราจะรู้ทางดำเนินของเราเองเราจะรู้จักที่สงบที่ระงับของเราเองดัดสั้นดานใจของเราที่มันดื้อมันดึงกันนั่นแหละ ด้วยบทของธรรมปลุกผู้รู้ของเราให้ตื่นด้วยสติด้วยสัมผััญญามันตื่นโรูอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวอย่าลืมว่าอารมณ์ที่มันชัดที่สุดในใจของเราเนี่ยมันชัดได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์พรุทธเจ้าท่านมีพุทธประสงค์ให้พวกเราเนี่ยอยู่กับอารมณ์ที่เด่นชัดที่โรู้ด้วยบทของธรรมนี่แหละถ้าอันนี้ตื่นมันเด่นรู้ขึ้นมาแล้วก็กิเลสแทรกไม่ได้มีแต่ธรรม นเมื่อกิเลสแท้ไม่ได้กิเลสมันก็จะเริ่มหมดโอกาสไปเรื่อยมันจะเริ่มด้อยโอกาสมันจะเริ่มหมดโอกาสอ่ามันจะเริ่มหมดวิบาศเหมือนกับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันถูกชัไปเรื่อยไปเรื่อยล้างไปเรื่อยล้างไปเรื่อยขัดไปเรื่อยขัดไปเรื่อยเกลาไปเรื่อยเกลาไปเรื่อยถูกหักถูกล้างอ่าในสุดถูกทอดถูกทิ้งถูกถูกละถูกปล่อยถูกวาง คือใจของเรามันวางวางอยากสิ่งเหล่านี้เห็นคุณเห็นโทษเห็นคุณค่าของธรรมเห็นโทษของกิเลสในเมื่อมันเห็นโทษของเลสนั้นพยายามหนีออกห่างพยายามปล่อยพยายามละพยายามวางเกิดที่ไหนเกิดที่ใจของเราเอาผู้รู้ปลุกผู้รู้ใหตื่นรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวไม่ให้มันแสกันมาได้แต่ถ้าเราย่อนยานกําลังที่ไร้เมื่อไรมันก็แทรกเข้ามาย่อนยานที่ไร้เมื่อไรมันก็แทรกเข้ามา เราทดสอบดูในใจของเราเราเห็นแค่เรานั่งแค่นี้เราทดสอบดูเราจะรู้เราจะเห็นแต่ต้องมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวต้องรู้ต้องทันมันนี่คือการฝึกใจฝึกใจให้ได้รับความสงบเพื่อดับสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ในวใจของเราตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหามันไม่ใช่มันมีอยู่เป็นเอกเทศแต่มันหากมันเป็นนิสัยสันดานของใจของเราเอง มันเกิดมามันสะสมมากี่กับกี่การกี่ประเาศหา่างมาสะสมอยู่อย่างนั้นโอกาสที่เราจะเกิดมาและเรามีโอกาสได้ชะล้างมานะันไม่มีเรามาคิดดูว่าบางบางพบบางชาติเราไปเกิดในที่ที่ไม่ใช่ปฏิรูปประเทศไม่ใช่ที่ที่จะมีคนมาฝึกมาฝนมาอบรมให้เราไม่ใช่ที่ที่มีพระพุทธศาสนาไปอุปบัติเราก็พลาดโอกาส เอาอะไรมาขัดมาล่างไม่มีอ่ามันก็เจริญว่องเงย พ, พ่อพูนทุยคูนว่องมันอยู่นั่นน่ะจิดของเราถึงจึงถูกชักถึงถูกล้างจึงถูกปล่อยจึงถูกลืมอ่าครุกครีทีโมงคิดดูตีวัตสงสารของเราเนะี่ยืดยืดยาวไม่มีจุดจบไม่มีที่จบยืดยาวไปเพราะสิ่งเหล่านี้แหละอ่าไม่เห็นโทษ ในเมื่อไม่เห็นโทษมันก ah? ็ปล่อยไม่ได้มันก็ละไม่แด้มนก็วางไม่ได้เห็นโทษเห็นคุณแล้วก็ตามแต่เรามีความสามารถไม่พอมีความอุตสาหพยายามขยันหมั่นเพียรไม่พอสติปัญญาไม่ทันบารมีอินทรียังไม่แก่กล้าพอเราก็ละไม่ได้เราก็ปล่อยไม่ได้เราก็วางไม่ได้มันยังไม่ถึงขีดถึงขั้นที่มันจะละได้มันจะปล่อยได้มันจะวางได้แต่มันก็ต้องอาศัยเรี่ยวแรงเราต้องฝึกต้องฝืนต้องอดต้องทนฝึกได้อดได้ทนได้ ช้าได้ล้างได้ผ่อนคลายความทุกข์ได้บรรเทาวัตตะสงสารได้วัตตะสงสารของเรามีจุดจบมีที่จบถ้าเราเข้าไปรู้หลักอริยสัจทั้งสี่รู้จัทกทุกรู้จักสมุทัยรู้จักทุกเขตลาในทุกย้อนไปดูสมุทยัยเห็นสมุทยัยคือตัณหาที่เราพยายามพูดถึนี่คือสมุทยัยในขณะที่เรากําหนดทุกแล้วก็ย้อนไปดูสมุทยัยอันนี้เป็นเป็นข้อปฏิบัติ ในขณะที่เรากำหนดทุกเอาอะไรมากำหนดเอาสติเอาสัมผััญญาขอเรามากาหนดกำหนดในหัวใจของเราเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเอาไปกำหนดจดจอดูเวทนาติดในความสุขติดในความทุกข์เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้เป็นเป็นมงคลกนะรรมฐานนะนาซีปัฏานี่ ทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมเป็นมงกุลของกรรมฐานถ้าหากเราเข้าใจแล้วมันจะพันกันอยู่นี่แหละมันไม่ไปไหนดอกมันจะทะลุปลุกปล้องโทษถึงกันหมดไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่าจะเป็นเวทนาไม่ว่าจะเป็นจิตไม่ว่าจะเป็นธรรมเราเข้าใจทะลุปลุกปลองเกี่ยวกับเรื่องของจิตสิ่งเหล่านั้นก็ถูกทะลุปลุกปลองไปด้วยถูกรู้เท่าถูกรู้ทันเท่าไร รู้เท่าทันหามันไม่ถูกมันหลอกรู้ทันอะไรรู้ทันตันหารู้ทันในปัจจุบันไม่ถูกมันหลอกตันหาคือกิริยาที่เร็วๆที่ใจของเรามันแสดงเพลอแสดงอยู่แล้วปะปะปเพ้อแสดงอยู่แล้วแสดงออกมาแต่ละครั้งมีผลเป็นวิบากนี่ร้ายกาจมากไม่ใช้แสดงมาเฉยๆนั่งอยู่คนเดียวนึกคิดตามลําพังตามใจชอบแต่มีวิบากกรรม ติดหลังหนาะอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ระวังกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกิริยาที่กระดุกดิกพริกแแปลงมาที่กายกรรมมีกรรมเป็นวิบากกระดุกดิกพริกแแปลงมาที่วาจาวจีก ร, ลลกรรมมีกรลลกรมเป็นวิบากกระดุกดิพริกแแปลงมาในทางกุศลเป็นกุศลกรรมมีมกุศลกรรมเป็นวิบากถ้าเป็นอกุศลมันมีอกุศลเป็นวิบากอยู่คนเดียวนึกคิดไม่มีใครร่วมมีใครเห็น หากมันสังสมในตัวของมันเองไม่ใช่เราคิดเราทิ้งเปล่าไม่ใช่นึกคิดมากๆเข้าทลักออกมาที่กายไปรู้อำนาจให้กับมันอีกแล้วทลักมาที่วาจาพล้กกระทุ้งกระแทกแดกดันให้กับคนนั้นคนนี้อีกแล้วแน่รู้อำนาจให้กับมันอีกแล้วผลทั้งหลายทั้งปวงก็ตามมาหากเราพลอยได้รับทุกได้รับโทษจากพฤติกรรมของเราเองไม่มีใครทาให้เรา อย่าไปคิดว่าคนนั้นทำให้เราคนนี้ทำให้เราข่าวคราวทั้งหลายที่เราได้ยินได้ฟังเป็นเรื่องที่เรามีหูเรามีใจรับรู้ได้ยินได้ฟังเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ปล่อยเพราะนั้นเป็นเรื่องของกรรมกรรมของเขาถ้าหากมันยังไม่ถึงเรามันยังเห็นเป็นเรื่องธรรมดายอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงให้สำรวจมัดระวังเอาไว้เวลามาถึงเราเวลามาถึงเราบางการบางคราว เราลุกอำนาจให้กับมันเราต้องได้บน่นได้เพอ้อนะได้อุทานทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นเราเนีเราจะไม่ต้องมาบน่นมาเพอ้อมารำพึงรำพันให้กับตัวเองเราฝึกฝนอบรมเราฝึกฝนอบรมเพื่อประโยชน์อันนี้และสิ่งเหล่านี้แหละจะพยุงภพชาติของเราพบชาติของเร า, า, เ, ราเปลี่ยนไปทุกภพทุกชาติไม่มีอยู่เท่าเดิมถ้าไม่เปลี่ยนขึ้นก็เปลี่ยนลง ไม่เปลี่ยนละเอียดก็เปลี่ยนยาญไม่เปลี่ยนไปที่สูงมันก็เปลี่ยนมาที่ต่ำไม่มีไม่เคยอยู่เท่าเดิมเนี่ยขึ้นชื่อว่าก่อสังขารกายก่อสังขารใจไม่เคยอยู่เท่าเดิมพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทุกระยะทุกเวลาความเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่แหละธรรมะทุกขังทุกขังอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนฮะสมัยพุทธกาลเขามีลัทธิ เคยเกิดเป็นยังไงก็ไปเกิดเป็นอย่างงั้นตายแล้วเกิดตายแล้วศูนบางคนถือว่าตายแล้วสูนทั้งหมดแห่มาคิดเอาเดาเอาบางคนเห็นว่าเกราเกิดไปแล้วตายไปแล้วเกิดเคยเกิดเป็นอะไรก็ไปเกิดเป็นอยังงั้นแห่มันก็คาดเอามันก็เดาเอาไม่มีคนมารู้จิงเหมือนพุทธเจ้าของเราพุทธเจ้าเรารู้ทะลุปลุกปลงการที่พปองรู้ทะลุปลุกปลง พันมาที่เหตุหลักของเหตุของผลใจของเราเป็นผู้ไม่ตายใจไม่ตายใจคือผู้รู้ของเราไม่ตายนะแต่อุบัติขึ้นมาแต่เมื่อไหร่แต่ละท่านแต่ละคนอุบัติมาตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ได้ไหมรู้ไม่ได้แต่รู้ว่ารู้สุขรู้ทุกยินดีในความสุขเยินร้ายในความทุกข์ รักสุขเกลียดทุกข์มันหามีความชอบใจมีความพอใจมีความไม่พอใจอยู่อย่างนี้สะสมตัวเองมาอยู่อย่างนี้แหละมารู้จบๆพันมากี่พพกี่ชาติกี่กับพกี่กันมารู้จกบไม่มีที่จบไม่มีนึกเปล่าคิดเปล่าว่างเปล่ า, า, ลาไ ม, ม่มีร่างกายตายแต่ใจไม่ตายเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไรเราก็ไม่รู้และจะดับเมื่อไหร่ดับเมื่อไหร่ไม่รู้ ท่านใช้คำว่าไม่ตายใจไม่ตายแต่ด้วยเหตุที่ใจเป็นกองสังขารครําว่ากองสังขารคือสิ่งปรุงสิ่งประกอบสิ่งรวมกันตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปใจของเราเป็นผู้รู้แต่มันเป็นผู้รู้ไม่บริสุทธิ์ปนเปื้อนมากับกิเลสตัณหาในหัวใจของเราคือพฤติกรรมของมันเองพฤติกรรมของเขาเองเขาสร้างสมอบรมมาของเขาเอง สังสมอารมณ์มาของเขาเองกี่กับกี่การกี่บริชาติมากน้อยเท่าไรเขาสั่งสมมาเองเมื่อเรามาพบทางดำเนินคือพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะอริยมรรคมิองคป8เราตั้งใจปฏิบัติขัดเกลาวทานศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติขัดเกลาวไปจนดัดจริตดัดนิสัยสันดานหยาบช้าเลวสามของใจของเราได้ ใจของเราก็เป็นใจเชื่องเป็นใจนิ่งเป็นใจสะอาดนะเป็นใจสะอาดยิ่งละกิเลสตัณหาอาสวะหนึ่งหัวใจของเราออกหมดได้สิ่งเหล่านั้นหมดไปจากหัวใจของเราใจของเราเหลือแต่ผู้ผู้ที่รู้ที่บริสุทธิ์รู้อย่างบริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่มีไม่มีเป็นกองสังขารใจหนึ่งเดียวท่านไม่เรียกกองสังขารแต่ถ้าใจสองเป็น2กับกิเลสท่าเรียกว่ากองสังขาร ขึ้นชื่อว่ากองสังขารไม่เคยอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงก็ได้ตามเจรินีสัยข้อมันคือทุกขังทุกขังกับอนิจจังทุกขังกับอนิจจังนี่ยแหละทุกขังทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังพราะฉะนั้ภูมิของเราจริงไม่ไม่คงที่เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยจากสูงมาต่าจากต่ำมาสูงจากสูงไปแล้วก็สูงเรื่อยไปเรื่อยขึ้นเรื่อยโดยลําดับเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยที่เราสร้างเราทํา ใจของเราไม่เคยยุติไม่เคยอยู่คงที่ไม่เคยอยู่เท่าเดิมแต่ถ้าหาเราละสิ่งที่เป็นกองสังขารกิเลสตัณหาอาสวะได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างพระอาหารหันต์เหมือนอย่างพระสงฆ์สาวกสันละได้เหลือผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวหาไม่แตกไม่สลายไม่สูญไปจากโลกเพราะธาตุเหล่านี้เป็นธาตุที่มีอยู่ดั้งเดิมในโลกก็เหมือนอย่างดินน้ำลมไฟที่เป็นเรื่องของรูปรูปร่างกายของเรา มันเป็นาธาตุที่มีอยู่ประจำอยู่ดั้งเดิมในโลกจิตของเราก็เช่นเดียวกันมันเป็นาธาตุคือผู้รู้ที่มีอยู่ประจำอยู่ดั้งเดิมในโลกเมื่อไม่บริสุทธิ์ด้วยตัวงตัวเองเขารู้ว่าไม่บริสุทธิ์เมื่อถูกชะล้างด้วยปฏิบัติการปฏิบัติอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าอุบายวิธีของท่านชะล้างจนบริสุทธิ์แล้วผู้รู้ก็เป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์อยู่หนึ่งเดียว ไม่มีภพไม่มีชาติเพราะอะไรละตันหาได้ไม่มีอุปาฏฐานไม่มีภพไม่มีชาต์ไม่มีภพไม่มีชาติภูรู้หนึ่งเดียวไม่มีภพที่จะต้องไปอุบัติอ่ไม่มีภพที่จะต้องไปอุบัติอยู่ยังไงอ่ะก็อยู่อย่างภูรู้ที่บริสุทธิ์นั่นแหละดํารงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตการไม่แตกสลายไม่สูญหายไปไหนแต่พวกเราไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าพวกเรายังติดข้องอยู่ในสมมุติ เกี่ยวข้องกับสมมุติพระพุทธเจ้าท่านพาดพิงสมมุติเท่านั้นพระสาวกจึงมองเห็นถ้าไม่พาดพิงสมมติพระสาวกมองไม่เห็นเหมือนอย่างพระองค์ไม่อยู่ในรู ป, ปิชาณไม่รู้อยู่ในอารมูปิชาณพระกิจที่บาริสุทธิ์ของพระองค์ไม่พาดพิงสมมุติคื อ, อรูปิชาณกับอารมูปิชาณพระอนุรถถุทธะก็มองไม่เห็นก็พูดได้อย่างเดียวว่าพระองค์อนุปาทิเสสนิญญพานดับ ข, นขันพระสูมหาปริพาน เนะี่ยไม่ไม่สูญหายไปไหนแต่หากเราไม่รู้เราไม่เห็นพระองค์พูดเป็นไหนๆว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นแหละเห็นเราผู้ใดเห็นเราเพรานั้นเห็นธรรมพระองค์ที่แท้จริงคือองค์ของธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมทัศนดาธรรมสกิทาคาราคาธรรมอรหัตตธรรม ชะละกิเลสทันหาสวัสดิ์หัวใจของเราได้เห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์พุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนเป็นหลักปรัชญาชั้นเยี่ยมเพระาะฉะนั้นพวกเราพุทธังทำบังสังขังสวรรค์ราชามิมีองค์ศ า, าสดาปลุกตัวเองปลุกใจของตัวเองให้ตื่นรู้อยู่ไม่ใช่เราทำทิ้งเปล่าทิ้งเฉยมีผลมีอนิสง์ให้ตั้งอกตั้งใจทา เวลานี้สิบอนาฬิกาพอดอีเป็นเวลาสมควรแก่เวลามีอะไรธรรมะบริกรที่เราทุกท่านได้รับความสงบได้รับความอดความทนได้รับความฝ่าวฝืนเราจะถึงดีได้เราต้องอดจะถึงดีได้เราต้องฝืนไม่ฝึกไม่ฝืนไม่อดไม่ทนไม่ได้ควรจะถึงก็ไม่ถึงควรจะได้ก็ไม่ได้ ใจปลอกใจสอกใจไม่มีความอดความทนไม่ได้สัจจะอธิษฐานสัจจะอธิษฐานจึงเป็นกรอบมัดจิตของเราได้เป็นอย่างดีทิ้งไม่ได้อย่าลืมว่าพวกเรามาตั้งสัจจะอธิษฐานนะตั้งใจปฏิบัติให้ได้อาจได้ทำอย่างน้อยให้ได้สมาธิธรรมอย่างน้อยให้ได้ปัญญาธรรมพวอกวอกแบมแบมมาก็าให้ทัน มีสติของกับกำหนดจดจ่ออยู่ที่จิตของเราทุกพยายามทุกเวลาต้องตั้งให้ตื่นรูอยู่ตลอดอะไรมาสัมผัสให้รับรู้รับทราบอะไรมาสัมผัสให้รับรู้รับทราบรับรู้รับทราบแล้วมันเกิดเป็นอะไรมันคืออะไรมันเป็นอะไรมันตกไปยังไงให้เราพิสูจน์ด้วยตัวของตัวเราเองนั่นคือหลักอานิจจังทุกขังนักตาพิจารณาเห็นเข้ามันเป็นการทำลายอัตตาตัวตนเพราะอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมานั่นแหละ กองทุกกอทั้งหลายทั้งปวงเลยตามเรามาถูกๆเราออิจฉาเราแล้วดีกว่าเรารู้กว่าอะไรที่ว่ากว่ากว่าเรากว่านี่คืออัตตามันโผล่กองทุกทั้งหลายก็ตามมาอัตตาโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไรมันไปกะเกณมันนั่นแหละกะเกณให้ทุกอย่างเน่ยเป็นไปตามใจของตัวเองเป็นไปตามใจหวังกะเกณฑอะไรก็ผิด ผิดหวังกับอันนั้นกะเกณฑ์กับอะไรก็ผิดหวังกับอันนั้นวันทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเรามีความทุกข์กับความผิดหวังที่เราเอาใจของเราไปกะไปเกณฑ์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครไปกะเกณฑ์ได้ทุกอย่างที่ไม่ใช่ใจของเราไม่ใช่กายของเราแต่ละอย่างทตละอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเขามีเหตุมีปัจจัยของเขากายของเราแหละมีเหตุมีปัจจัยของเรา ใจของเราเรามีเหตุมีปัจจัยเป็นของของเราเราสามารถบังคับให้ได้กะเกณฑ์ให้ได้เฉพาะในใจของเราเท่านั้นในเฉพาะในกรอบที่เป็นหลักของธรรมเช่อย่างร่างกายเรากระให้ไม่ให้เขาแก่ก็ไม่ได้ไม่ให้เขาเจ็บไม่ให้เขาตัดไม่ได้กระให้เขามีแต่ความสุขหรูอร่ำไปก็มันกองทุกข์บังคับได้เฉพาะใจของเราเท่านั้นบังคับไม่ให้มันยึดไม่บังคับไม่ให้มันถือด้วยเหตุที่มันยึดมันถือนั่นแหละคือความทุกข์ตาม ทุกกับอะไรไปดูเถอะทุกกับอะไรก็คือเราพยายามเอาใจของเราไปบังคับพิจารณาให้หน้ละเอียดให้ทีทวนไม่จะเห็นความโง่ของเราที่เราไปหลงไปงโง่กับอารมณ์ของตัวเราเองเราดูเถอะเห็นชัดๆเห็นจงๆแจ้ง ๆ, งๆนะพยายามพิจารณาเห็นอย่างนี้เราจะเห็นความประเอียดในใจของเราไปเรื่อยไปเรือยไ่อยอาธรรมะบริกรมีอะไร ได้เวลาเราก็เลิกกันจะขึ้นมาตอนไหนเมื่อไหร่อีกก็แล้วแต่เ้อะ